147พระพุทธเจ้าตรัสรู้เหตุตัวแท้คือเหตุภายในหนีจากเหตุภายนอกมันก็ตื้นตื้นง่ายง่ายก็เข้าใจกันได้ง่ายน่ะสิแต่ความจริงที่ลึกซึ้งยิ่งนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้วิเศษพิเศษยิ่งกว่านั้นอีกนักว่ามันคนละอย่างเพราะเหตุแห่งทุกนั้น มันกลับตาลผัดกันเลยกับที่คนทั่วไปหรือศาสดาอื่นๆใดๆเข้าใจตรงกันพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเหตุคือสมุทยัยตัวร้ายแท้ๆที่มันทำให้ทุกอย่างยั่งยืนไม่รู้จบรู้สิ้นเด็ดขาดนั้นแม้จะหนีจากภายนอกหรือไปกดข่มจิตไม่ให้โผล่ขึ้นมาปรุงกับภายนอกอย่างไรเท่าไร มันก็ไม่จบสิ้นเด็ดขาดถาวรยั่งยืนเที่ยงแท้นิรันดรได้เลยเหตุแท้ที่สำคัญก่าจึงไม่ใช่วัตถุภายนอกที่ไม่มีสัมผัสมั น, มนก็ได้แล้วหรือการกดข่มจิตด้วยวิธีทาสมาธิสะกดจิตให้มากให้หนักเข้าไปให้แน่นจนไม่เปลี่ยนแปลงให้ได้ก็ได้แล้วเท่านั้น พระพุทธเจ้ากลับเห็นว่าเหตุที่อยู่ข้างนอกแล้วสัมผัสเราอยู่นี้นี่แหละจะทำให้เรารู้จักรู้แจ้งรู้จริงความจริงที่มีเหตุตัวสำคัญที่เกิดอยู่ภายในคือในจิตของเราต่างหากที่ต้องกําจัดออกจากจิตใจเราให้ตายสนิทมันจึงจะจบเด็ดขาดยั่งยืนนิรันดร แล้วเราก็อยู่กับเหตุภายนอกได้โดยเหตุภายนอกนั้นจะกระทบกระแทกเราแรงร้ายสาหัสอย่างไรก็ไม่ทำให้จิตใจเราเกิดทุกข์ได้อีกนิรันดร์ย่่งยืนเที่ยงแท้จริงๆไม่ใช่กาจัดเหตุภายนอกหรือหนีจากเหตุภายนอกและหรือหนีห่างเหตุภายนอกไปแล้วก็ สะกดจิตให้เข้าไปยึดแข็งแน่นอยู่ภายในเท่านั้นอย่างที่ลัทธิทั่วไปนิยมยึดถือกัน